ก็ตัวตาอยากของกรยแข็งรจะอูคนที่จะสวยหาประดับกายรางกายของตัวเพราะทำมาานั้น น อ, อกจากนั้นสัตว์ทั่วไปหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคนนั้นมียตืนสือสัตสุจริตไม่ทำผิดผูกผิดคนอื่นที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้รับวามสุขความสบายไหลเนื้อเชียอใจจะไปสถานคือใดคนทั่ว ไ, ไปเขาก็เหล่อมสายสัทธาตั้งแล้วเต้นโยนยอ คนนี้คือสัตว์สุดโตดีไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไปเดียดเดียดคนอื่นไปอิจฉาคนอื่นเป็นคนที่มาพุกหาสังคมนีม่คืออ น, นุสงของสีนิาโรคตัวไปมีสีนิดือดกันทุกคนหน้าก็ไม่ต้องสร้างอายุดึกโทรปกรณ์ติดจะมาเวลาสาสันกันเพราะทุกท่าน มีสินแต่จำกายวาาใจใจสงบโลกวันสงบหยกเย็นสุดถึงเปลี่ยนใจทั่วโลการักษาสีนกันเมือย่างนั้นสุดถึงเปลี่ยนมือย่อยใวขอบคัววิรวัตาต่างขั้นต่างคนต่างมีสีนแะพื้ตัวโดยางที่ดี ทำไปในทางสุดีผูกไปในทางสุดีคขีมีความตุดผลิตในการทำการสูบของตัวไม่ได้โกหกปลกมไม้ยนุคอื่นเเหยยย่อนตอเสียดคนนั้นต่อเสียดคนนี้เกิดอยากคาหรือเสีดหลาหลายประโยชน์ทากัเมนกันทำไปต่สิงิด เป็นเป็นประโยชน์เดียบเดียบค่ะดีดีบดีกันรักเหมืนขโมยกันเชื่อมกันนั้นเนยแล้วครอบครัวกลุมนี้เชใจกันเป็นสุขทะเลาะเบาหวากันเพราะอันหนากของศีลทำให้ครอบครัวสงบ ทำให้วัสสดสงบทำให้ประเศชาตใสงบทำให้โลกสงบนี่คือธรรมขันต์สงที่พระพุทธเจ้าสอนคนเราถ้ า, าหากมีจิตมนันก็ไม่คิดแย่แย่ต่างอะไรสับสนทำไปผูดไปก็เป็นภัยอันตรา ย, ายแก่ตัวเองตัวเองก็ตั้งหนึ่งตัวของตัวหวัช่วว่าเสียคนอืน่น ขัดตนเขราก็เกรงกลัวเพราะมันเหน่ามันเน้เห็นก็เลอยากจะพบ้าตนาคมเพราะคนอย่านี้ีนเป็นคนเหน่าคนเสียทำกรอบคัวทำวัดทำระเทศยบฉาทำโลกเผียจร้อนวุ่นวายนีอันนี้ส่วนของปีนถ้าเราตีนตีโตนะปีนนั่นก็ไม่โดนกัด ในจำการบุคคลในจำกัดสถานที่ใเรียกขาดชั้นเงนนะปธิบัติรักษาได้เกิปฏิบัติเพื่อลนกศิลนั้นก็ไม่น้อยมันหมดไปจะในปฏิบัติเลยศิลนั้นมันก็ยังมีอยู่หาคนเอามาประดับตัวของตัวคนนั้นก็วเด็รับ ความสุขความสงดอย่างน้อยกจิตใจของตัวไม่เดือร้อนเพาการทาการสุขขงตนนี่คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิี่อการหลักแน่นของใจนี่จะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนใส่บุคคลนามาประดับ ใจข็งต้นพอใจที่รอกแวกอุ่นวายนั้นเป็นใจที่มันตั้งมั่นเป็นใจที่มันสงบเป็นใจที่คนทั่วไปใน่เหอนใสปวดของัวดเอวปวดั้นหนุกปวดของัวดหัวใจชั่วใจเสียใจไมหนักง่าย ใจในสงกใจในเย็นใจในสุกเพราะขาดจากสมาธิการกระทั่มมันเพ่งสมาธิที่ผ่าแน่สอนเอาไว้พอมันเพ่งที่จะให้เกิดขึ้นกับใจของตัวนั้นมันก็มีหลายอย่างหลายทางบางคนวกว่ากำหนด มีปเจมาเรื่องกำหนดบริกรรมตัวใจที่สายแสิ้ิไปตามซะเยอะยาอารมณ์ต่างๆนั้นหักห้ามเอาไว้เอใจไปคิดไปุยกำหนดบทบริกรรมอะไรก็กาหนดต่างใจกาหนดอยู่นั้นแต่กาหนดลมหายใจก็กาหนดลมหายใจอยู่นั้นใจใจ เระไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นใจจะเป็นหนึ่งใจจะเป็สงบห่งวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งกำหนดลมก็ดีกำหนดบริกรรก็ดีจิตใจถ้ากำหนดไปหนยิงทีสองนาทีลัวก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ตือนเรื่อยนั้นในสัมผัสกับลมหายใจในสัมผัสกับคาบริการเข้าตน นจะออกคิดออกจริงข <Okay. S 2> <Sag ina. S 1> ้างนอกคนแบบนั้นนึกายอย่างนั้นจะตอบอาสัยตพเจนะพเจนนในอวัยวะร่างตายของตัวนี่แหละพี่เจนนะตั้งแต่ขุนเท้าขุนมาหาีตพเจนนะชตาลงไปหาขุนเท้าข้างหน้าไปจบข้างหลังข้างหลางนะฮะข้างหน้าอยาให้นออกไปที่อื่นพเจนะมัน ใจมันอยู่ลนตายมันคิดมันปรเรื่องอื่นข้างนอกมันคิดได้หักห้ามเอาไว้ปลูกเอาไว้แต่ที่เจนาตายท้ตัวนหงายออกไปเยวข้างนอกแต่มนเที่ยอยู่ภายในรที่เจนาตายที่เนามาอุตามที่ต่างๆที่มีในตาย เกี่ยวที่เจน่ะขนจน่ะขนเลือดตันหลัวเลืออุกระดูตัดไตใส่ท้งที่เจน่าไปจนจิตใจไหลถังเก่วไปที่อื่นมันเหน็ดเหนื่อยเหนืยหูในการที่เจนะส่วนนี้มันก็เจสบเวียนได้ความยเวียนของใจเรียกอ like ่าสมาธิ <Travis> อย่าใจเย็นได้ใจ ส, สงบได้ใจจะตั้งมั่นเนี่ยวางไว้ต่อสันญาอารมณ์อะไรเพราะความมันไว้ของอารมณ์ของใจเรียกว่าไม่ใจ ส, สมาธิมีน้ายที่สมาธิทางสึกจิตปฏิบัติใจเพืยแก้ไขขับไล่ สัญญาอารมณ์แก่าย้ับไล่ชีเหนียัญหาในนสติต่างๆคือเี่ยมเยีได้มันเยียมเย่ได้มันก็มีกำลังถอมอทิฏนานสิง่งต่างๆเขาเคยใจตามเป็นจริงได้สมาเกี่ยวกับใช้้เหนียัญหาขับไล่ความเฉยๆังเลขอใจ หน้าที่ทั่วไปหมายถึงใจหนักแน่เมื่อถอนกลับมาจากรวมรวมข้งใจใจจะหนักแน่เขาทำอะไรเขาปวดอะไรเม ใ, ใจหนักแน่มันก็ไม่หวั่นไหวที่ใจงานในคำพูดหรือการกระทำของเขาให้ใส่ใจตามเป็นจริงในสิ่งที่เขาทำเขาปวดนั้นเราละวัด เาสก่งที่ชื่วทเสียจากเขาในเวลาเอาคำสาะเสวนเยจากเขาเราจป็อย่างไรชมจีวิ่งไหมที่เขาชมเชยสารเสวนชมจีวิ่งไหมที่เขาสนนินชางที่เจอมาในตวทคุปไปตามรูตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินเหมือนนั้นใจมันหนักแน่ มันไหนที่เล้า่ฮะหลักเกณฑ์แกสัจรงจังคือที่าน่ดีอ่เขาสร้เสนั้นมันเป็นจริงด้ไหมถ้าสรเสรอมเราดีเราดีเสร็อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากเราไม่ดีไมจริงตามคำสร้างเสริมเราจะอย่าไปดีอกดีใจเขาสร้เสริเขาดีเรา ขอใส่ใจเราอะเป็นผู้ดีวิเศษเราดียังเนาดีม่เศษอะไรยงจะตัดตรง่แก้ไขแต่เราดีวิเศษอย่างสุดท้ายจะเสืออย่าไปนะเราจะละเสย่แลนวเรายังไม่มีคุณค่าอะไรภายใกายในใจของเรากว่าใส่ใจ่ะเราดีวิเศษอย่าไปคิดแบบนั้นแคิดบเข้าม ดูภายในส่วนตากายใจทั apping, like ้ง like ตัวถ้ามันได้เชื่อยังเสียอยู่เขาต้องแลกเสริมก็เป็นเลื่องเขาขอยใจผิดเห็นไหมเราดูเราด้วยอย่างทำาต้องแลกเสริมเราต้องจับฟูจะทามันเพียนแต่จิตใจของตัวเย็นจิตใจของตัวสงบตการของเราทาบาจารของเราปูในทางที่ดี เฉลิมกับทำค่ะของร้อส้นเยนยาเราในอย่างนั้นถ้าไปเชื่อมันเอาแต่ทำสร้อยเส้นล้วทําในดีเขาก็สรส้นให้เราก็ดีใจค่ัเราเป็นคนดีคิดหนดีทั้งว่าเรามีความอดทนมีสมาธิมีปัญญาจะเาวเรักควาอะไรในตัวของเราได้อย่างนี้ แต่สุ่ะเราดูเหตุดีผลเขาจะเล่าเส้นก็บดูใจเขาดูท่าก็เสียใจใจเลยหลักแน่นใจเลยตั้งมั่นใจเลยนี่ทำจดจำตัวของตัวจึงไปหลูติดลนทํการเล่าเส้นดูท่าของเขาดูท่าก็ทํานองเยวกันเราดูท่าหลาจาวต่างๆนั้นถ้าเรามีจิต ต้อนั่น <hein. S 1> มีสมาธ er huh ิแล well, like ้วก็ใส่คิดคิดนิจเจริญนะเขาโยนทาเรานั้นเราทําชั่วทําเสียผูดชั่วผูดเสียจริงๆใจจังไหมผูกต้องตามผี่โทษยินทาหรือไม่ทาหาเราเรื่องี้ทางเสียหายอะไรเขากคเขอยใจผิดเจ้าเขายินทาเราเพราะเขาเขอยใจผิดเกี่ยวข้องเราไม่มีอะไร คือจะเสียหายคือจะเป็นไปตามคำนินท่าของเข า, าเ ร, ร า, กเ า, เ า, า, าก็อย่าได้เดือดร้อนอย่าไปตอบคำเขาเพราะว่าหมาตัอย่าไปตัดเขาคนตัดขาหมามันหนาลราอายอยู่กว่าหมากัดขาคนเพราะปกติของคนเราเคยตัดหมามีแต่หมากัดคนเราต้องฟังต้นอย่างนั้นโดนน ย, ด จ, ดดยจิดตั้งมัน่นมันที่จนะลาได้ ถ้ามันเลยดีมันชั่วมันเสียตามคำตำหนิของเขาเราก็ต้องแก้ไขทำชั่วฝูดชั่วชิดชั่วไปมันมีคนตำหนิอย่าใช่เตียวคงตัวตำหนิเตีย ว, มมยวองตัวแถนั้นคนอื่นเขาบอกปล่อยตำหนิให้จะทําให้คนอื่นก็าเป็นทุกเป็นโทษเขาเลยชอบใจเขาจึงตำหนิเราต้องแก้ไข มันเลยยืดยืดไหนเขกยหายมันไปเพื่อหาใจของตัวตั ว, ตวจุดตาจุดยานะตัวของตัวโดยตัวถึงแล้วมันดีเขาจะตัง้งมือีกจริงจเราทําเราคิดเราคิดนั่นเลยผิดอะไรเขาตันน้งมือก็ต้นน้งมือไปมันเล่มีทางเสียหายอยู่ที่จิตตั้งมันนม่นจิตเป็นสมาธิลอยออกแง่ ตะคุกเงาเอาอารมณ์สั ual, ่งหน่อมาทำจิตทําใจทั้งตัวให้เต่าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนสมาธิยิ่งเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านนักปฏิบัติจะต้องฝึกหัดอบรมจะทํำบำเพ็ญขึ้นคนดีจิตใจหลั่นไหวจิตใจรอกแงะในตังมันพอรัก็รักเอาจริงจริงจังจังไม่ได้อย่างนั้น คนเหนื่อยเวลาเบื่อเบื่อจริ ง, งิง้งแนเหน่อยห่าหนคนไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นหาหลัก ฐ, ฐานเปลี่สารเหตุผลอะไรไม่มีคนแบบนี้จะไปคบค้าสมาคมกับใครทำงานอะไรก็พอใจจะที่งจะเลิก ไ, ไม่ต้องเด็ดเด็ดสินไปให้เพกับใครก็ไม่ ตลอดลอดฝันพอใจวอกแวกใจในตั้งมัน่นในเวบาทำงานทางลในเวลาทำงานทางธรรมคนอย่างนั้นได้มาเกิดผลพอขีดควรคือเบื้อง่ายแล้วก็ยินดีง่ายไปหาสาเหตเหตผลอะไรแล้วตรับตึงใจของเรา เราเชื่อเราทำไปแบบนั้นมันให้ผลอย่าจนกล้องตัวอย่างไรใจแบบนี้ในคนเชื่อมันพอเชื่ออยู่ตรงมันแล้วมันให้ทุกข์ให้ทั่วเยอะไปนั่นมันจะสดวงสบายจะปฏิบัติจยจำหนยถ้าหากเก็บชงนักปฏิบัตินักภาวนาท่าที่ดง มันหลอกเลื่อยไปเคถูกมันหลอกมันตบมันติ้นมาน้ำสร้างน้ำเหินเหน่อยได้แต่เคยเกิดหลับเม่อวาอยาจะไปที่นั้นจะไปแต่งงนเวกภาวนพอไปถึงเข้าล้วก็เลยเอาจินเอาจังให้คิดไปที่ใหม่วิ่งหยุดตลอดเลยนะะเหมือนวัวหลังหะแต่มีความปุกความสะายให้จะด้อยู่ร่มไม้ ไปอยู่การที่ตอนงนาที่ไหนรามีความสุขกายสุขใจมันหลอกมันต่มมันติดนะรับสร้านลยได้แต่จะไม่เยเ่อมหักไ่เคยจดจําหาเราแกไขเรื่องของใจที่เป็นอย่างนั้นไม่ก็โกหกพกลมื่อยไปไม่มี ความตั้งมันม่นในีตามเอาจึงเอาจังให้ถ้าเราแก้แไขมันชอบใจมันพอใจมันน็กคิด้ป็นเวลาสี่ถ้วนแล้วมันจึงตกลงใจมาปฏิบัติเมื่อถึงที่เราจะอยู่จะอาศัยเราคิดว่าสถานที่นั้นคนที่วิวิงสงบพอองควร พอที่จะต้องไปปฏิบัติได้ไม่ว่ากั้งวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีเกตดการอะไรที่จะมาเพ่งพลาดอย่มีใคร ท, ที่จะมารบกวนอย่ามีการงานนอกที่จะมายุ่งเกี่ยวรีบเร่งขวัญขวายัสง ด, ดทีวิตที่แทนะทำความเทียนให้เต็มเน็บเต็มหนุกจิดมันจะสงบได้ จิตมันจะเย็นสบายูีผู้คนมีสมาธิเอาจริงเอาจรงในการการทำท่องสอนเราปอยให้ปัญญาารมณ์มาเหยียอยุบหลอกลวงหลงลืมใจตามปัญญาอารมณ์เหล่า น, นั้นควรที่มีความตั้งมั่นของจิตมีสมาธิในใจจริงจังจึงเป็นที่ชอบพอเป็นที่ยินดี ของตัวเองคือทการทำงานอะไรมันสาเร็จเรื่องไปแต่ที่นี้ิการณาอะไรมันเข้าใจเกิดปัญญาละขอนเห็นจริงในสิ่งหล น, นั้นมีงานทางศาสนางานของนักปฏิบัติเป็นงานสำคัญคืองานทรรมะที่น่งงานอื่นไม่สำคัญ ยิ่งกว่างานปฏิบัติการจิตเหล็กัวใจเียนงานของคาราบาลคนไหนมีจะมาที่ความหนักแน่นหัวใจก็เศร้าแต่จะต่องานที่งานด้วยใจงานนี้งานไหนดีงานนี้ยงขนาดงานหนทำงานไหนก่น ใจตั้งใจทำจริงทำจริงแต่เห็น ไ, ได้ยิ้มหวาน้าลึากห่างหานไม่ดยไป้าหากูกถคนเลยมีความหนมักแน่นในใจคนจิตเหมืนมีสมาธิคนจิดวอกแว่จิตเบาไม่เอาฐานคนแบบนั้นจะเป็นผู้ยิงข่อตสงคืชายข่อตังไม่ดีทท้งนั้น ขอราะจิตในตังนั้นจิดในเอาจินตังให้ทำอะไรไหนต้องเางโกรธงายเชื่องง่ายไม่มีเหตุผลหรือคือคนไม่มีสมาธิการฝึกสมาธินั้นก็ <c oughs> อย่างอธิบายมาเราจะกำหนดบทพุ๊โทร หรือจะกำหนดลมหายใจเพื่อจะผูกยึดผูกใจของตัวไม่ให้ไปโยกข้องกับอารมณ์สัญญาทางนอกแต่มันอยู่ในสิ่งที่เรากําหนดเอาไว้เรืใจตั้งไมั่ยม่เป็นเรื่องนิสัยของบุคคลกันควกหนึ่ง ส่วนเราจะที่นี้พิจารณาหาทางให้จิตยามจำเนืในเชื่ออารมณ์ั้นยาที่เหยื่อยุกหลอกลวงในเชื่อใจทั้งตัวผิดเพีงไปคิดไปว่าที่นั้นมันจะดีที่นั้นมันจะวิเศษไปแล้วก็ไม่ปวดผลประโยชน์อะไรให้ไปแล้วมันก็หลอกลวงเยื่อยไปว่าที่ไหนก่อน เราไมีโอกาสเวแล้าที่จะทํายิ่งทำใจให้อยู่ที่ได้ก็ตั้หนี่สิ่นั้นในตั้งนี้ตัวเองถ้าเราเชื่ออยู่อย่างนี้เราฟังอยู่อย่างนี้เราคิดอยู่อย่างนี้สมาธิของเรมันจะไมาเกิดขึ้นเพราะความหเักแน่นขงใจในนี้เราจะต้อง ห, กหกักแห้งแงสองมันเราเชื่อมัน ยิงจมตามันติดตามมันมันไม่เกิผลประโยชน์อะไรให้มันจะหลอกลวงว่าดึงไปขนาดไหนเราจะไม่เชื่อใจแบบนี้เราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทีาทจนะําระความอยากของใจความปริ่มของใจส่วนที่ชั่ว เสียเยอยอนั้นใหตกใจใจจะได้รับความสงบตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งนั่นมีสนาธินักน่ในจิตในใจทาอะไรลงไปสิ่งนั้นจะเกิดผลพอเราเอาจริงอากจริงตั้งนาเดยวติเด๋ยปัญญาไม่ทาแบบ แน่ๆทำในคํารอบขอบอจิตของใจสมาธิจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องฝึกให้เกิดขึ้นใวข่ะดี่งจิตใจมันจะหนักแ่นจิตใจมันจะเยียดเย็นทำไมฝึกม่ปฏิปบัติ นั่นเป็นไปให้แต่เรื่องวิสัยทองคนคนทีนวิสัยเยอนเย็นความหนักแน่นอยู่ก่อนต่อตามถ้ามาฝึกมาอบรมเข้าใจของเขาที่เคยมีพื้นฐานดีอยู่แล้วเขาจะยิ่งวิเศษขึ้นไปอีกเ่ยวกภาวนาเกี่ยวกับปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้นปัญญาเกิดขึ้นจากการระดับรับฟัง เห็นเหรอวะสุตตไม่ยักปัญญาฟังแล้วนำมาใส่จิตวิตวิจัยนะในจิดในใจทองจนจนเข้าใจว่าจริงที่เราได้ระดับรับทังมานั้นจริงๆเราเคศึกษาเราเรียนมานั้นเป็นทางถูกต้องเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นลงมือปฏิบัติ อร่าเลยมือปฏิบัติตามสิ่งที่เราเคยดศึกษาเราเรียนมสิ่งที่เราเคยสดับรับฟังมาปัญญ า, ม, ามันจะเกิดประทับอีกในใจฟังแล้วคิดแล้วมันถึงจุดหมายปลายทางเส้นละขาดจากที่มีปัญหาในเป็นอย่างนั้นต่อมาปฏิบัติ้านาอีกพอเรามาปฏิบัติ้าวนะมันเกิดขึ้น จากปัญญาของเราเองนั้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งมั น, น, นเหมือนจำมาเรียนมามั น, นประทับใจแน่นเข้าไ ป, ไปจนมีการละทานถอนความสงสัยเกิดสิ่นอย่างไรที่ละเคยของใจติดใจเรานำสิ่งนั้นมาที่วิสัย น, นะ เดือดอนาจของสมาความหนักแน่นงใจเดอดอนาจปัญญาเี่แหลมสามารถที่จะแทงทะลุัญหานั้นถทลุไปได้เดือดมันทะลุไปใจมันก็สบายจิตมันทางานสำเร็จเราวจริงๆมันเคยสงสัยของใจเมื่อเราที่จะมาถึงต้นตอของมัน เข่าใจคาติเกินยนต์นขึ้นในตัวจริงจังแล้วสิ่งนั้นมันจะมาทำข้าวเหยื่อเยือเราอีกแต่เราหลงเราติดเราพ่อมันเนต็มใจไหนได้พอเราฆ่ามันตายเร า, าเรู้เท่าเหลี่ยงของมันนี่คือปัญญาปัญญาก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่ฝึออกในอบรมมันก็มาเกิดขึ้นทั้งๆสี่มืออยู่ ในตัวของเราในบาศีนในบาสมาธิในบาปัญญาตลอดทั้งวิชาวิมุตติมันมีอยู่ในมนุษย์ทางนั้นแต่ที่มันไม่เป็นในเห็นในรู้โดยรับความปลุกความสงบเท่าที่ควรนั้นจะไปตั้งมิเรื่องของศีลสมาธิปัญญาไหนได้ตั้งมีเรื่อของตัวเองเป็นผู้มง นำมาประดับประดานำมารักษานำมาประทุติปฏิบัติจิตใจด้ว่าวุ่นยุ่งเกี่ยวเดือดร้อนหาความสุขความสงบเลยได้ทั้งๆที่ร่างกายของเราใน่มีโรคภัยอะไรเกี่ยวข้องใจไม่กจยิ่งอยู่ในที่สงบอุเสเยงอกถี่นุ่ม แล้วนาลบเงินอะไรใจใจมันก็วคุ้คิดอยู่ในป่าอยู่ในวัดแต่ใจิคดใจมันตัวหุ่นง่ายโย่ข้องกับเรื่องข้างนอกแต่มันเป็นอย่างนั้นมันก็มีความสุขความสบายให้าใจเราอยู่กับตัวเรื่องใจงเสี่ยว โยคล่องกับตังที่เชื่อสิดเสียแต่ ต, ตัวของตัวก็ตัตนนิทำไมสิดจึงเป็นอย่างนี้รางสวบให้ถ้าหากเราฝึกเรารักษาเราพิมพิจันะเรานาธรรมะสี่พระพุทธเจา้าแม่สอนเอาไว้มาประดับกายลายใจใจของเราเราก็จะเป็นคนคนหนึ่งทึ่งจะมีคุณค่าับ จะเห็นชัดเจนในจิตในใจทั้งตัวอะไรที่เราช่่ยเราเสียเราไม่ได้ทำเราก็้าเมื่อไม่ได้ทำไม่ได้พูดไม่ได้คิดสิ่งที่ชื่อสิ่เสียสิ่งผิดเหล่านั้นเขาจะมาตั้งหนยุนาขนาดไหนใจก็จะเวหวั่นไหวเหมือนกันกับเราทานอิ่นแล้วคนเราหิวเจะบตายทองของเรามัน แไปบกไปหายไปเกิดหูอย่างสว่างหรไม่ถ้กเราอื่มเราก็เเราอื่นเขาจะมาถูกมีปากีคนก็สั่งเขาคนอื่นขอเราเป็นอย่างไรแล้อยู่ความดีที่เราปฏิบัติมาโยใจวาจาใจถ้ามีสมาิมีความหนัแน่มีปัญญามันจะต้องที่แาจากนั้นจิตใจจะหน่อยหวั่นไหวจิตใจจะหน่อยหนืไหล จิตใจที่ไม่เดือดร้อนถ้าไหนมีปันดาไนที่ใจนาหอ่างนั้นเขาหาอะไรก็รับเอาถ้าเทวีรับเอาเทวชั่วก็รับเอาโสตฟ้าอยู่ตลอดเวลามันไม่ปิดเอาไอะไรลงตกลงมาตกลงมาเป็นส่าบะอะไรต่ออะไรในนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันคงไม่มีทาน สงบในวันสุขสบายให้แต่มีการเปิดการติดได้จิตใจของเราเขาห่าถ้าหากเขาว่ามามันเกิดสาราประโยชน์ให้ไปโกรธเขาเราโก็ธชั่วยิงไปโกรธแต่เราดีจะไดโกรธเขาทำไมโกรธนั้นบาดถั่วไปฉันระเลิศหรือฉันตำหิแต่เราดีเราเชื่อาก เราฉลาดรักษาตัวทำไมแล้ถึงได้โกกเขาเราจะต้องสอนจิตสอนใจของเราอนั้นจิตใจไม่โกงจะถอยกลับไม่เป็นรักโกรธจิตเขา่าเข า, าดูเหมือนยินทาปัญญาจึงเป็นเรืยอสำคัญคนต้องปฏิบัติทา รอบข้อหาักเลื่นไ ใ, ใจได้จะอยู่สถานที่ได้ในต้นทยอะะันตราเพราะมีอัดมีทำประจากายราจายใจสองท่นงานเราทุกคนเพื่ตึกสวนเนือสอ น, สอนตัวของตัวอย่างนั้นนอย่างนั้นก็จะมีคุณคขข่าอะไร มีคนอื่นก็สถามกู๋คุณพุทศาสนาพุทธศาสนาสอนอะไรสอนหวคนมีขี้เหลันหาสอนหนคนบ้าคนดอสอนหวคนเชื่อคนเสียหรือสอนหวคนหยุคนดีเราเจอต่องพุทพุทโธนแต่เราพุทโธนะเรื่องต่ต่างดยนไปเดินไปทา ไปพูดแล้วสื่อสื่เขาทำเขาพูดแก่ตัวพค้งตัวคือ จ, จะมาหาเหตุผลกี้ก่อนมันใจใสผิดพลาดจิตใจสลักนแน่ม <c oughs> ีเหตุมีผลตั่พค้งตัวก็จะเย็ยนจะสุขจ ะ, ะ่สบาเพอาใจ มีเหตุมีผลมีสติมีปัญญารักษามีธรรมะประดับตัวมันสุขมันเย็นมันสงบอะเลยไปเคื่อปฏิบัติจะย่อยได้ความสงบสุขอยากละถอนที่เหตปัญหามันต้องมีวันมีเวลาที่จิตใจจะเป็นไปได้เราต้องที่ที่ใจนะต้องศึกษา ตอนปฏิบัอย่าไปเชื่อลมปากทุกคนโดยง่ายได้หาเหตุผลช่วยนะใส่เป็นจริงเลยตงยิงใคยเชื่อเพราะคนนั้นดูมันกวสรสรเชื่อมันกวดสร้าสรดูมันกวดตัณหยมินทาเชื่อมันกวตามินทาจะเอาขาเงยใงไหได้เลยตง ที่เจเียเหตุผลในคนเหมือนนั้นเป็นวัดปฏิบัติไทยๆก็เป็นรัดสมถทานคุณอาจารย์สอนปฏิบัติสคนอื่นสอนเจอและคนอื่นแม่เจอเราอยากทราบว่าวัดใดท่านตั้งใจปฏิบัติหรือไม่ เราเข้าไปเราต้องทราบพาะที่ปฏิบัติในวัดของท่านท่านจงจำตัวตนประจำทุกกฏิไปเพราะท่านตั้งใจปฏิบัติการเดินจะเดินปฏิบัติการนั่งก็นั่งปฏิบัติไม่มีการงานอย่างอื่นที่เหมนเราจำเป็น สำคัญกว่าการปฏิบัติฉะนั้นกาอไปโยนถานที่ใดใช่ไหก่อสร้างเอาไว้เมืองนั่งเหมื่อยหนึ่อยหูจะตอรองเปลี่ยนอีบทเดินจงกรมเรจะไปดูเป็นใจจำในวันวัดใดคี่ตั้งใจปฏิบมันเป็นอย่างนั้นมีการสอนคนอื่นสอนตาตาจะไปดูวับดูว่าทางจงกรจะ ให้หมาเหยียบวัวกรนี้พราเหยียบได้เพราะในตั้งใจปฏิบัติเพืจะสอนเขาเท่านั้นแต่ตัวของท่านเหนื่อยสุดใจแบบนี้นานนี้เราจะตั้งดูเดตุการ์อยากฟังแต่เจหูวเท่านั้นคิดโดยใจอีกเหมือนกันว่ทําพูดไปแล้วพูดด้วยความจริงใจได้มาจาก ตามแพปัจบานได้ไหมหรือหกพวกพจะให้คนอื่นเรีอนไสพวจะให้คนอื่นเขายอมทนชอบแต่ตัวของตัวเองในส่สนใจในตัวของตัวเองเราจะต้องที่นจนะยมาากเราที่ใจมาทีท่วนเราจิตในใจเจริงห้นจังและทานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะ เรามีการตสจับกราบไหว้ทำบุญวิญญาณหรือจะเรื่องเกี่ยวข้องกับท่านเหล่านั้นมันกาได้ถ้าเรามีสิทธิ์หรือวีที่จะนับถือที่จะแตะางได้แล้มีใครสิ่งหจะมาบังคับตัวขเราแต่เราพ่จารณานั้นว่า แต่เข้าใจในความดีในอย่างนั้นก็ข้สันใครเพรว่าทงนั้นดีเชื่อตามเขาว่าทงนั้นดีก็ยิ่งไปทานั้นเ่ต่ยนี้ไปยิ่งื่อความมีเหตุผลข้าใจแต่ที่แกนะเห็นไหมเหตุตัณย์ใจเหันเห็นจริงการปฏิบัต ก <c oughs> ี่พระพทธเจาาทรงสอนทรงสอนเหตุผลแต่ทุกคนที่นิจเจอมาไม่เห้เชื่อยังมง่ปาอย่างฉันแมะสอนพวกสายกสมัยก่อนท่านเลย โดยสอนเน่ยเชื่อตามตารับตำลาเชื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เชื่อว่าถูกต้องตามความเห็นของคนหน่เชื่อเด็ดตามคุ้นได้หน่วเชื่อว่าคนคนนี้ควรจะเชื่อได้ท่านต่อท่านสองร้ายร้ายเนี่ร้ายมุกต่อเมื่อใดเราไข้ชีวิตจะอะไรเลยเหวี่ยงวอย่างนั้นเรามื่อปฏิบัติเกิดผล ไปจากคาดเกณ์ในตนของนั่นแหละเราถึงเชื่ออย่าไปเชื่อลมปากอย่าไปเชื่อว่าบุคคลคนเชื่อได้อย่าไปเชื่อว่าเป็นใครเป็นผูเป็นอาการของเราเราต้องใช้คิดเรคือไปต่อมาเรนสอนแบบคิศาสนาสอนให้เชื่ออย่าไปเชื่อที่เจนะที่เจ้านะใครวางก็ไม่มีวันเวลาที่จะ เได้ยิงพิจารณาไยิงจะเนือกเหมือนกันกับเรามองดูตะวันจะทาสายตาของเราห้สั่นเลยถ่ายเสียไปแล้วเด็สอนไจแบบคิดอย่างพุทธศาสนายิงําหนดทิ้พิจารณาเท่าไรยิงจะเลื่อมใสยิงจะเกิดศัทธายิงจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเ พิจรารณาเห็นอนคิดพุดทธานุสติธรรมานุสติสังทานุสติญาทานุสราตายาเมรณะอยู่ตานคิดในอนุติท่องสิเร้คิดใหนะดนะ้มากพิจรมากขณะเราิจารก็ไม่เกิดศัทธานในเหยื่อไม่เตใจอยากจะิบ ถ้าหาเราคิดไปเจอมาอย่างกินอย่างใจแล้วเราจะเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าท่าก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเราเป็นผู้ที่มีสมบัติมากเป็นกระส่าเราดยากอากเป็นอะไรแต่ที่ทำหนีไปจากเขาควาเป็นเดินนี้ไป โดยการขับไล่สายส่งของพระญาติพรเยหรือบริษัทใดๆท่านนี้ไปเพื่อจะไปเพื่อปฏิบัติกาจัดกิเลสปัญหากาจัดความยุ่งหลงข้องใจการจัดความแข่ความเจ็บความตายที่ทลายสรรพโอกาสเวลาที่เป็นะราชานั่นือโอกาสเวนาที่จะ ที่เจน้าละเอียดอ่อนอย่างนั้นให้เข้าใจชาตเกณฑได้จะต้องนี้ใจแบบว่างหน้ที่ทุกอย่างตันงหน้าจะทำจริงจังมันมีเกิดความไม่เกิดมันคงมีนี่มันมีตายความไม่ตายมันคงมีนี่แต่มันอยู่ที่ไหนเรายังไม่เข้าใจเราจะต้องไปติบัตรแต่มันเข้าใจ อะไรมันเป็นเชื àn. tamam há, say, ่อทชื่อขเราเกิดท่านพิรุติเจนะท่านเฝ้าตายิ้มเตั้งใจพิเจนะทุนเหล่านี้เป็นตลอดถึงหกปียินดีสาเร็จเป็นพารหัสอ拉หันท่านแตมีจิ่ิตปัญหาเหมือนพวกเราท่านในจังหวะทันหมดตะลันเปิดนะสัมปชัญญะเดชการพิรุติเจนะ สงบรักษาจิตใจทั้งท่านจนดูเห็นกระจัดเรจนทุกอย่างที่มีนั่นมสอนโลกโลกทรัสอนยากตั้งแต่วันที็เกิดผลโดยการมาสอนทั้งท่านจนเป็นพระอรหันต์อรหันต์ท่าอเพราะท่านคือท่านรู้ท่านเห็นนั้ใช่ จะมีสิท์แต่ท่านคนเดียวคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับปฏิบัติได้ท่านเจริมาสอนถ้าเสื่อมเนั้นล่ะท่านก็เลยดีดเสิดมาแต่รังเสือเหมือนกันท่านก็มีที่เหลอปัญหามานะักที่คิดเหมือนพวกเราแต่ท่านต่างหน้ า, ต, นาต่างตากาหนดที่เจรลญมาขับไล่ที้เหลือปัญหาสำลักจริงที่ชั่วออกไปจ า, กา่จากาจรอใจ ต็นิตใจเลยมีอะไรที่จะเป็นปัญหาจะนำความทุกข์เดือดร้อมเผาเปลอีกแข็งขึ้นเป็นผู้รู้สึกทาคาสอนนั้นก็เลยสอนที่อื่นที่ใจสอนตายสอนใจที่เรียนอะไรนี้เพราะมนหลงอยู่นี้ เกิดก่อะไรมันเกิดตายก่อะไรมันตายแต่พิจารณาจิตใจเป็นธรรมยิ่งใจมันจะทราความเปิดนั้นอะไรนั้เกิดความตายนั้นอะไรมันตายนอกจากสมมติสิสมมติกันเท่านั้นหายใจลงหยิบออจากชาร์จเตีแล้วมันไม่มีอะไรตายยิ่งน้ำลมไฟมันก็สะลายไปตาม ขาดเดิมของมันจิตพู้ไปหลงไหลใส่สันว่ามันตายนั้นไม่ก็จะไปตายไปอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันจึงมีความหลั่นไหลมันเป็นไปอย่างไรท้าบตามเป็นจริงของมันหนึ่งคือการปฏิบัติตามธรรมะถือพระพุทธเจ้าแสแม่สองจิตจะเห็นจิตจะเย็นจิตจะสงบเพราะมันหลงไหล เราติดข้อมเราสศมไสอะไรนั้นมาที่พิจารณาจนให้มันเกิดปัญญาละถอนตื่นเ่าั้นมันละถอนได้งก็เกินยมุตต์ถ้ามันังละถอนเลยได้มันก็เกิดยมุตต์ไมได้มันจะยังติดยมุตต์เล่ยไปนี่คือกาที่เจรณาทางน้าใจของตัวเขียนมาที่ปัญญา อะไรจิตขาคือสิ่งที่ควรศึกษาควรนำม า, มานะิจารณาควรนำมาประดับตากราจาใจของสูง